พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าอย่าหลงทางวันนี้เป็นวันที่หอังคารที่ห กันยายนพุทธศักราช 2,559 วันนี้ฝนตกตั้งแต่เกือบตีหนึ่งตีสองมาบ้งหลวงพ่อก็ดูดูฟังดูแล้วมันเหมือนกันลินพรําๆ ม, มาถึงตอนเช้านีนก็ยังลินอีกแต่ฝนตกได้แต่ความชุ่มฉ่ำความชุ่มชื้นแต่น้ำ คงไม่ได้เพราะว่าฝนตกไม่ได้น้ำได้เนื้อฝนตกมีแต่ความชุ่มช่ำร่มเย็นก็ดีดีกว่าไม่ตกนะถ้าให้ตกเลยตกไปเลยแล้วก็หยุดไปอันนั้นดีกว่าอันนี้ตกลินใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะดูดูทำท่าจะตกตลอดทางทงวันจะมั้งวันนี้นะแล้วก็วันพระพระวันนี้ พระของเรา46ลงมาชั้น32งดไป14องค์ดูดูแลบางตาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ทางนายอำเภออำเภอนายูมานี่มนต์พระนะมาเนี่ยคนพระวัดเราคงจะไปฉันที่วการอำเภอทําบุญทําบุญที่วการอำเภอเนี่มนต์พระวัดเราข้าวโลก เพราะนั้นทําไม่มีอะไรหลวงพ่อคงจะไปฉันที่อําเภอในะวันพรุ่งนี้วันที่วันที่เจนะจะไปฉันที่ทีาาปนะ่ประการอําเภอนิมนต์พระเกรูปเพราะว่าเป็นวันครอบครอที่ตั้งที่ตั้งที่ปรการอําเภอนายูจนะยินท่านพูดอย่างนั้นเมื่อวา น, นตัวของท่านเองมานิมนต์ท่านในอำเภอนะอําเภอนายูแล้วก็เมื่อวานไปชมพระนะเมื่อ วานถ้าตามไม่จริงการประชุมพระของวัดเราเราก็รู้สึกว่าห่างเหมือนกันนะพระเนลูกหลานไม่เหมือนสมัยหลวงพ่อไปอยู่กับองค์หลวงตาแตอยู่หลวงตาใหม่ๆภาระของท่านคนก็ยังไม่มากอย่างวาคนไม่มากนะสมัยหลวงพ่อเขาไปอยู่ใหม่ๆคนน้อยแต่ละวันไม่มีใครมาแล้ว มีแต่คนรู้จักรักคุณมาส่งอาหารบ้างมาส่งสิ่งของถวายองค์หลวงตาบ้างลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงตาจึงสมวันบ้างห้าวันบ้างเจวันบ้างมีการไปชงที่หลวงพ่อไปอยู่ใหม่ๆท่านก็ให้ธรรมะอบรมพระในวัดอย่างเพ็ร้อนเหมือนกันเพราะว่าพระ ในรุ่นเก่าก็ไม่กี่องค์อย่างที่ว่านะอย่างโดยมากเป็นพระฝรั่งแต่กับพระไทยก็มีรุ่นเก่าๆรู้สึกว่าลมหายตายจากไปตามไม่จริงถ้าเป็นรุ่นเก่ายังเหลือทุกองค์ลูกฉีด ล, ลูกหาลูกหาลูงตาก็คงจะมากมายแต่ในรุ่นเก่าๆรู้สึกว่าไม่มาก ดูดูแนละ้วนึกย้อนหลังดูยุคยุคสมัยหลวงพ่อเข้าไปศึกษาพระรุ่นเก่านั้นต่างก็ล้มหายตายจากไปก็มีสิกขาลาเพศไปก็มีแล้วก็หายเงียบไปก็มีไม่รู้หายไปไหนยุคของหลวงพอ่อมีแต่ยุครุ่นรุ่นช่วงช่วงหลวงพ่อจะออกมา จะออกจากหลงต า, ามียกท่านนบพดนพกท่านชิดท่านเฉลิมท่านนบพจน เ, เนี่ยรุ่นนี้มีมากยังเหลือมากรุ่นนี้รุ่นที่หลวงพ่อจะออกมาเนี่ยกรมรุ่นนี้ก็ประมาณ30 30กว่าพรรษาสากว่าพรรษาพระรุ่นนี้ ในรลยการประชุมของหลวงตาสมัยหลวงพ่อเข้าไปใหม่ๆเข้มขน้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าหลวงพ่อเข้าไปฟังฟังดูแล้วยิ่งเข้มข้นใหญ่ทำมาว่ายิ่งเข้มข้นใหญ่เอท่านสอบอารมณ์ด้วยอพอไปเป็นไงภาวนาอกนั้นอกนี้เป็นไงภาวนา หวังดีองค์ภาวนาไม่เป็นพูดไม่เป็นอีกต่างหากเก็ไม่รู้จะพูดยังไงสะดุ้งสะดดกลัวท่านก็กลัวแท้เนี่ยมันมีเหตุพอมันมีเหตุท่านก็เลยจุดจุดถามเรื่องภาวนามีแต่ว่าให้ภาวนาเนะ่พระทุกองค์มาอยู่ที่นี่เนะี่ยอย่ามาเป็นหมูนอนอยู่ในวัดไม่ได้นะ ต้องมาเป็นพระนะต้องตื่นตัวอยู่เสมอเหมือนกับแม่เนื้อระวังในพรานพร้อมที่จะกระโจนลุกขึ้นมาและกระโจนข้างหน้าเลยระวังในพรานระวังสัตว์ร้ายคือแม่เนื้อมันจะนอนมต้องเตรียงพร้อมมาอยู่นี้ก็เหมือนกันพระที่เขามาบวช มาอยู่ปฏิบัติธรรมอย่าไปนอนจมนอนใจไม่นานนะตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอเตรียมระวังกิเลสราคะโทสะโมหะที่เป็นนายพรานมันจะมายิงมาส่งอใจของเราเพราะนั้นเราต้องระวังอย่าให้กิเลสายต่ำาฟหยาบเข้าเข้ามา ทำร้ายทำลายเราต้องระวังเหมือนกับแม่เนื้อระวังนายพรานอันนี้เราฟังเทศวงดวงตาเราจะได้ยินธรรมเทศนาของท่า น, นี่ขอให้พวกเราคณะสัตว์ทธธายาโยมระเนนลูกหลานทุกองค์เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาในพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้เป็นผู้ตั้งใจ สังสมอันไหนคือคุณงามความดีให้สังสมภาวนานะพกูกง่ายๆพวกเรามาภาวนานะพวกเราไม่ได้มาทําอะไรมาอยู่วัดไม่ได้มาเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อ อ, อหาลาภหายศหสรสษนให้เกินคนเยินยอเราไม่ได้มาเพื่ออย่างนั้นให้เราศึกษาในธรรมลิกิจของครูบาอาจารย์ มีหลายๆองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทํามาเลกิตขององค์หลวงตามหาบัวแล้วก็ทํามาเลกิตรครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าหลวงปูต่ต่างๆถ้าเราอ่านศึกษาแล้วเราบวชมาเพื่ออะไรมันมีจุดมุ่งหมายนะไม่ใช่บวชมาเพื่อเล่นๆหลอกหอกหลวงๆไม่ใช่ เ, เราบวชมาเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร จะไม่มาขอเวียนไหวาตายเกิดอีกต่อไปในใจของพวกเราพวกเราต้องศึกษาพอศึกษาแล้วกันเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเดินตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินอย่างไรจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นจุดยืนจุดสูงสุดของของพระธรรมคาสอนของพุทธะนั้นคืออะไร ให้เราศึกษาและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกัน่ท่านเดินไปสู่จุดสูงสุดของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วถึงท่านจะเดินไปทางไหนแต่จุดดิ่งจุดสูงสุดของท่านไปถึงจุดนั้นเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย จุดมุ่งหมายของเราคือกรุงกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางถึงเราจะอยู่จันทบุรีอยู่แดนขเขมรหรืออยู่น้องคายาหรืออยู่แม่ฮ่องสอนหรือจะอยูอ่ทางภาคใต้เราก็เดินทางเข้ามาสู่จุดที่มุ่งหมายของเราคือกรุงเทพมหานครนี้ก็เหมือนกัน ถึงเราจะปฏิบัติให้ทานรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีอยู่ในสถานที่ใดก็ตามในหลักธรรมคำสอนของพุทธท่านชี้นำให้พวกเรามุ่งหวังคือพระนิพพานที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้ดิ่งถึงพระนิพพานเนาะนี่แหละเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาทีนี้ องหลวงตามาหาบวรรรัวทำมาเลกิทของท่านจะเป็นองค์ไหนก็ตามท่านจะพูดถึงจุดนี้ทกขบวนการในอดี่ความมุ่งหมายมุ่งมั่นของท่านแล้วนี่แหละอันนี้ให้พวกเราศึกษาในเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วกคเ น, นีน้เราจะทำปฏิบัติอย่างไรจะทำคุณงามความดีอย่างไร ก็ขอบคุณงามความดียังไงให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติมากน้อยอย่างไงแค่ไหนเราต้องเน้นไปทางจุดนั้นถึงจะรักษาศีลเสร็จแลว้วก่อนั่งภาวนานการนั่งภาวนา เ, นเป็นวันเดินใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะพอนั่งภาวนาทำทำให้จิตใจให้สงบพอจิตใจสงบเท่านั้นแหละนั่นแหละแปลว่า หยุดนิ่งรู้จักแนวทางเห็นขนทางเลยถ้าจิตยังไม่นิ่งจิตยังล้วนเลยอยู่นะมันหาไม่เจอนะไม่รู้ไปทางไหนคลาหน้าคําหลังเหมือนกับเราไม่รู้จักทางเดินที่จะสู่มรรคผลนิพพานะจับทิศทางยังไม่ถูกอนะไม่รู้จะเดินทางไหนแต่เมื่อเราทําจิตใจให้สงบแล้วนะ่ะแต่ว่าเดิน เดินเดินมาจุดมาถึงจุดต้นทางแล้วไนงะ เ, เมื่อจิตใจสงบต้นทางจากนั้นก็เดินวิธีการเข้าสมาธิ เ, เข้าเวลาออกจากสมาธิแล้วก็วิธีการสังเกตดูวิธีจิตจะเข้าสู่ความสงบแล้วก็วิธีการออกจากความสงบ เ, เราต้องใช้แนวความคิดจากนั้นก็เดินวิปัสสนาแล้วไนงะวิปัสสนา คิดยังไงจึงจะเป็นวิปัจนาคิดยังไงจึงจะถูกต้องเป็นธรรมเกิดความเบื่อหน่ายคลายนติดที่แรกบ้างก็ต้องก่อนจะเป็นวิปัจนาท่านเขาว่าต้องเป็นวิปัชนึกก่อนนึกคิดตรึกตรองไตรตรองหาเหตุผลไม่ใช่ว่ามันมันจะออกเป็นวิปัจนา พอเป็นสมาธิแล้วม่นจาจะโดดผางออกไปเป็นวิปัสนาอลงตะวันน้อยมากไม่มีถึงขนาดนั้นล่ะเพราะฉะนั้นเวลาจิตใจของเราของเราก็สู่ความสงบแล้วนะต้องถอนออกมาจากความสงบแล้วก็มาวิปัสสนึกตรึกตรองตรึกตรองไตร่ตรองหาเหตุและผลในเมื่อหาเหตุและผลรู้จักเงื่อน ที่เราจะพิจารณาท่านให้พิจารณาอะไรจุดนี้นะจุดมุ่งหมายของพุทธะท่านมีมากหลากหลายที่ท่านจะให้พิจารณาแต่เอาเถอนะเมื่อเราบวชเข้ามาเป็นพระบวชเข้ามาใหม่เป็นสมมณเนรบวชเข้ามาใหม่พระพุทธเจ้าให้พิจารณากรรมาฐานห้านะกรรมาฐานห้าก่อน พราะนันให้พวกเรายึดกรรมฐานหาของพระพุทธเจ้าเน่ยเกสาโลมาหนาขาทันตาตาโจนะเกสาผมโลมาขนหนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตันี้อันนี้คือให้วิปัสสนึกนึกดูสภาพของผมสภาพของขนสภาพของเล็บสภาพของฟันสภาพของหนังให้ดูสภาพมันที่มันเป็นอยู่ของหนัง่ะ หนังของเราเนะี่ยถ้าไม่ชำระไม่ฟอกสบู่ไม่อาบน้ำเป็นยังไงฮนี่แลหละร่างกายของเราผลที่สุดเมื่ออายุมากเข้าไปแล้วแก่เท่าชราเข้าไปแล้วนะเป็นยังไงเหย่ยวย่นไปหมดผลที่สุดถึงจุดจบของมันนี่แหละการพิจารณาพิจารณากรรมฐานห้านะ ไม่ใช่พิจนารณาดูเฉยๆจบเพียงแค่น้ำใจดูจนตลอดจนถึงจุดจบของมันและเมื่อมันเกิดขึ้นมาใหม่มันเกิดมาอย่างไรและขณะที่มันตั้งอยู่ในขณะนี้ดูกายของเราขณะนี้่ะมันเป็นยังไงแล้วต่อไปภายภาคหน้า่ะดูกายคนอื่นมาดูร่างกายของปู่ย่าตายายมาเปรียบเทียบเราคงคงจะเดินไปตามแถวเนี่ยแนวแถวปู่ย่าตายายพาเดินนี่แหละ อันนี้ก็คือวิปัช น, นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆวงเนื้อพระลูกหลานาา จ, จัตไทญาติโยมนี่แหละคือวิธีการภาวนาจะหลงสรุปแล้วก็คือไม่ให้หลงโลกหลงทางนั่นแหละอย่าไปติดอยู่ในโลกเถึงจะอยู่เราเถอะเราเกิดมาแล้วเนยะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจนะทำยังไงได้เอแต่ไม่อดไม่กินอาหารเลยมันก็นไม่ได้ ไม่หายใ จ, จเลยก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเลี้ยงมันไปพอเลี้ยงมันไปเลี้ยงร่างกายไปแต่อย่าไปหลงมันเอเหมือนกับลูกหลานเกิดขึ้นมาใหม่ใหม่ๆก็ไม่เท่าไหร่พอลูกหลานใหญ่ขึ้นมายิ่งยิ่งรักยิ่งยิ่งหลงลูกหลานนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นหะใหม่ๆแล้วก็ยังไม่รู้จักร่างกายคืออะไรพอต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวลหลงในร่างกายของตนเองเลนี่นี่แหละมันหลง พระมันหลงเทนะ่านั้นแะตัวนี้เราไม่ดีเนะียเพราะฉะนั้นถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้งไปตามสภาพของมันอย่าเป็นหลงร่างร่างกายเนอใจเนอนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้านอกจากทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้จะเอาหลักไหมาสอนเหมือนกันนะเนีหลักธรรมคาสอนของพุทธานี่ ท่านให้โอปัญาโกโอปัญโกให้มองตนเองให้ดูตนเองให้ใคข้ควรทบทวนในตนเองทบทวนในใจของตนเองสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะให้เห็นให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรให้เห็นอย่างนั้นจากนั้นใจก็จะได้ถอนความยึดมั่นถือมั่นเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในที่สุด นี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราทุกข์น ท, ท, ท, ท, ทุกทุท่านนะเอ<ม>ถึงอย่างไรก็ให้ทบทบทวนอทบทวนในแนวความคิดอตัวนี้แหละอทบทวนหลายครั้งต่อหลายหนผลที้จบก็จะเห็นตามความเป็นจริงแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะถ้าเราต้องการหลักเหตุหลักผลอยู่แล้วจะพิจารณาไปอย่างไง พี่ไปพิจารณาไปยังไงกันเออมันออกออกจากหลักเหตุผลมีตกยกยอปอปั้นไปเรืเอ่อยอยกปอยอปอปั้นแับมันเป็มันทําไปยกยอปอปั้นไปทึบชัเออมันไม่ใช่ของจริงเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงมันจะไปยกยอปอปั่นได้ขนาดไหนเอ่อผลทด่สุดมันก็เออกลับมาที่เกาเ่าอีอย่างเกา่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงเออนี่ เมื่อเห็นตามความเป็นจริงถึงจะมากหรือน้อยเออมันะเะิมีความรู้สึกนึกคิดเออรู้เห็นตามความเป็นจริงเจอทั้งเจ้านั้นก็วางรู้จักสถานะะรู้จักการปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนี่แหละคือหลักธรรมอยู่ในจุดนั้นนะพวกคณะทศธายาโจมพระเนนลูกหลานถ้าตอนนี้ไปรับพรอนในต น, นี้นะ